พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่11อระสูตรที่เจลักขณะสูตรสูตรว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการพระผู้มีพระภาคประทับนเชตะวนารามของอนาทบินทิกะเขรหะหบอีใกล้กรุงสาวัตถีณที่นั้นตรัสแสดงมหาปุริสลักษณะ32ประการที่ทำให้มหาบุรุษมีคติเป็นสอง คือถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุธทธเจ้ามหาปุริสลักษณะสมสสองประการมีพระบาทตั้งลงด้วยดีคือมีพื้นพระบาทเสมอไม่แหวงว้าเป็นข้อต้นมีพระเศียรประดับด้วยพระอุณหิสะคือกรอบพระพักเป็นข้อสุดท้ายแล้วทรงแสดงว่า